เจรินพรท่านผู้มีเจดเมตตากรุณาใจบุญใจกุศลทุกทุกท่านวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่17เมษายนพุทธศักราช2554เป็นวันที่ท่านทั้งหลายมีเวลาว่างจากภารกิจการงานต่างๆจึงได้ตั้งใจมาวัด เพื่อมาทำประโยชน์ให้กับตนเองและแก่ผู้อื่นตามพระพุทธดำรัสที่ทรงตรัสไว้ว่าสังขารทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงมีการเกิดมีการดับไปเป็นธรรมดาจงยังประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิด นี่คือพระพุทธดำริหรือเป็นพุทธโธว่าครั้งสุดท้ายก่อนที่จะท่งจากพวกเราไปทรงเตือนสติให้พวกเรารู้ว่าชีวิตของเรานี้มีขอบมีเขตมีวันหมดสิ้นดังนั้นเราจึงไม่ควรที่จะปล่อย เวลาหรือชีวิตของเราที่มีคุณค่านี้ให้หมดไปโดยไม่ได้ทำประโยชน์ให้กับตนเองและแก่ผู้อื่นประโยชน์ที่พูดถึงนี้คือประโยชน์ทางด้านจิตใจประโยชน์ทางด้านร่างกายนี้ไม่สำคัญเพราะเอาติดตัวไปไม่ได้ หลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองต่างๆบริษัทธิบริวารต่างๆเราไม่สามารถเอาไปกับเราได้สิ่งที่เราเอาไปกับเราได้ก็คือบุญและบาปถ้าบุญก็เป็นประโยชน์ทั้งกับตัวเราเองและแก่ผู้อื่นถ้าบาปก็เป็นโทษ กับตัวเราและกับผู้อื่นถ้าเอาบุญไปก็เหมือนกับได้สเสบียงไปได้ทรัพย์ไปถ้าเอาบาปไปก็เหมือนกับเอานี่ไปเอาศัตรูไปดังนั้นพวกเราจึงต้องพยายามทำบุญกันให้มากๆและพยายามรักษาศีลป้องกันการทำบาปไว้ให้มาก อย่าทำบาปเลยเพราะมันเป็นการสร้างหนี้สร้างเวรสร้างศัตรูสร้างความทุกข์สร้างความเสือ่อมให้แก่จิตใจส่วนการทำบุญนี้เป็นการสร้างทรัพย์ภายในสร้างความเจริญสร้างมิตรสร้างความสุขให้แก่ใจทั้งในปัจจุบันและ ในอนาคตที่จะตามมาต่อไปดังนั้นเราจึงต้องคอยเตือนสติอยู่เสมอว่าชีวิตของเรานี้ไม่แน่นอนจะหมดไปเมื่อไหร่ก็ไม่มีใครรู้จะไปกำหนดว่าจะอยู่ไปจนถึงวันแก่นั้นก็ไม่มีก็ไม่แน่เสมอไปบางทีก็อยู่จนถึงอายุ 80-90 ปี บางทีก็อาจจะอยู่ถึงวันนี้เป็นวันสุดท้ายก็ได้ดังนั้นในขณะที่ยังมีลมหายใจอยู่อย่าประมาทอย่าผัดวันประกันพรุ่งเกี่ยวกับการทำบุญสร้างกุศลขอให้รีบตักตวงทำทันทีในเวลาที่มีโอกาสอย่างวันนี้อย่างในช่วงหยุดเทศกาลสงกรานี้ มีวันหยุดเป็นเวลายาวนานถ้าเรามาทำบุญทุกวันเราก็จะได้กำไรได้ไประโยชน์ถ้าเราไปเที่ยวเราก็จะขาดทุนไม่ได้กำไรเราจะไม่มีอะไรติดตัวเราไปนอกจากความอยากเที่ยวนอกจากความว้าเวอ้างว้างเปล่าเปลี่ยวเวลาที่เราไม่ได้ไปเที่ยว แต่ถ้าเราทำบุญเราจะไม่มีความรู้สึกอ้างว้างเปล่าเปลี่ยวเราจะรู้สึกอิ่มอกอิ่มใจสบายอกสบายใจพอใจกับสภาพที่มีอยู่เป็นอยู่ไม่เดือดร้อนวุ่นวายเหมือนกับคนที่ไม่เคยไม่ได้ทำบุญเพราะบุญนี้เป็นอาหารที่จะหล่อเลี้ยงจิตใจนั่นเอง ผู้ใดมีบุญผู้นั้นจะมีความอิ่มหนำสำราญใจผู้ใดขาดบุญผู้นั้นก็จะมีแต่ความหิวโหยมีความอยากความต้องการในสิ่งต่างๆไม่รู้จักจบจากสิ้นดังนั้นขอให้เราพยายามทำบุญกันให้มากๆบุญนี้ก็มีอยู่หลายอย่างด้วยกันบุญที่ เกิดจากการให้ทานนี้ก็เป็นบุญที่เราสามารถทาได้ตลอดเวลาไม่เฉพาะเวลาที่มาวัดเท่านั้นเพราะการให้นี้เราสามารถให้ได้ด้วยเหตุผลหลายประการด้วยกันให้เพื่อสร้างมิตรอย่างนี้ก็ได้เช่นเราอยากจะชนะใจผู้อื่น อยากจะให้เขาเป็นมิตรกับเราเป็นเพื่อนกับเราเราก็ให้สิ่งต่างๆไปเขาก็จะรักเราชอบเราอยู่กับเราไปนานๆถ้าเราอยากจะให้เขารักเราเราต้องให้ให้เขาอย่าเอาจากเขาอย่าจ้องแต่จะเอาจากเขาเพราะเขาจะเบื่อแล้วเขาก็จะไม่อยากจะอยู่กับเรา สามีภรรยาที่อยู่ด้วยกันได้เป็นระยะเวลายาวนานเพราะต่างฝ่ายต่าง ม, มุ่งไปที่การให้เป็นหลักส่วนการรับหรือการขอนี้จะไม่ให้มีมากจนเกินไปถ้าจะขอก็ขอในเรื่องที่จําเป็นจริงๆไม่ขอแบบไม่รู้จักพอถ้าขอแบบไม่รู้จักพอ คนที่เขาให้นี้เขาจะเหนื่อยเขาจะเบื่อและจะไม่อยากจะอยู่กับเราแต่ถ้าเราให้เขามากกว่าขอเขาเขาจะอยากจะอยู่กับเราไปนานๆเพราะนี่เป็นธรรมชาติของใจเป็นอย่างนี้ทุกคนต้องการอยากจะได้รับความเมตตาจากผู้อื่น แต่ไม่ค่อยอยากจะให้ความเมตตาแก่ผู้อื่นจึงมักจะอยู่กับผู้อื่นไปไม่ค่อยได้นานเท่าไรแต่ถ้าคนใดเห็นคุณค่าของความเมตตาสร้างมิตรด้วยการให้อยู่เรื่อยๆจะเป็นที่รักของผู้อื่นดังในอานิสงส์ที่พระพุทธเจ้าสมสแสดงไว้ผู้ที่มีความเมตตา จะเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายนอกจากมนุษย์ที่เราเห็นแล้วยังมีเทวดาที่เราไม่เห็นด้วยเขาจะคุ้มครองเราดูแลเรารักษาเราถ้าเรามีจิตเมตตากรุณ า, าเพราะอะไรเพราะคนที่ตายไปแล้วเขาอาจจะไปเกิดเป็นเทวดา และถ้าเขาเคยได้รับความเมตตาจากเราเขาก็จะอยากจะตอบแทนบุญคุณความเมตตาของเราถ้าเขารู้ว่าเราอยู่ที่ไหนเขาพอที่จะไปหาเราได้เขาก็จะไปเพื่อที่จะไปดูว่าเขาจะทําอะไรให้กับเราได้บ้างเรื่องนี้ฟังแล้วอาจจะรู้สึกว่าเป็นเรื่อง เพิร์เจอร์ก็ได้เพราะเราไม่เห็นดวงใจดวงจิตดวงวิญญาณเราเห็นแต่ร่างกายแต่ขณะนี้ขณะที่เรากำลังฟังอยู่นี้เรากาลังคิดอยู่นี้หรือกำลังทำอะไรสิ่งที่กำลังคิดกำลังฟังกำลังทำอะไรอยู่นี้ไม่ใช่ร่างกายของเราแต่เป็นใจของเรา ถ้าไม่มีใจของเราแล้วร่างกายของเราตอนนี้ก็จะเป็นเหมือนซากศพซากศพนี้เป็นร่างกายที่ไม่มีใจไปพูดเขาก็ฟังไม่รู้เรื่องไม่ได้ยินเสียงที่เราพูดไปจับม้าจับมือเขาเขาก็ไม่รู้สึกอะไรเพราะผู้ที่รู้สึกนี้ไม่ได้อยู่กับร่างกายแล้วไปจากร่างกายนี้ไปแล้ว ไปสู่พบต่อไปถ้ายัางไม่ได้ร่างกายใหม่ก็จะเป็นกายที่ไปก่อนถ้าสร้างบุญสร้างกุศลมาก็จะเป็นเทพเป็นพรหมถ้าทำบาปทำกรรมก็จะเป็นเปรตเป็นนรกนี่เป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็นเพราะเราไม่เคยเปิดตาในของเรานั่นเองการจะเปิดตาใน นี้เราต้องปิดตานอกก่อนนั่งหลับตาแล้วก็ทำใจให้สงบพอใจสงบแล้วเราก็จะเห็นสิ่งต่างๆที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนแล้วเราจะไม่สงสัยเรื่องของการเวียนว่ายตายเกิดเรื่องของบุญกรรมเพราะเป็นสิ่งที่จะติดไปกับใจ <c oughs> ร่างกายนี้ไม่ใช่เป็น ที่รองรับบุญและกรรมร่างกายนี้เป็นที่รองรับฝืนที่จะเผาให้กลายเป็นขี้เถ้าที่ถ่านไปเวลาตายไปแล้วร่างกายนี้ก็จะถูกเผากลายเป็นขี้เถ้าที่ถ่านไปแต่ใจนี้ไม่ได้ถูกเผาไปกับร่างกายใจนี้ถูกบุญกรรมเป็นผู้ที่จะส่งไป ให้ไปเกิดดีหรือไปเกิดไม่ดีให้มีความสุขหรือมีความทุกข์อย่างนั้นถ้าเรายังไม่เห็นเราก็ต้องเชื่อคนที่เห็นแล้วเช่นพระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายท่านเห็นใจเห็นใจที่ออกจากว่างแล้วก็ไปเกิดใหม่ท่านรู้ว่า ไปเกิดสูงไปเกิดต่ำเพราะบุญหรือบาปที่ได้ทํเอาไว้เราต้องเชื่อเหมือนกับเราเชื่อหมอเวลาเราไม่สบายเราไปหาหมอหมอเขาตรวจดูแล้วเขาก็บอกว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ต้องรับประทานยาอย่างนั้นอย่างนี้ถึงจะหายถ้าเราไม่เชื่อหมอเราไม่รับประทาน เราก็ไม่รู้ว่ายาที่หมอให้รักษานี้จะรักษาให้ร่างกายเราหายจากโรคได้หรือไม่แต่ถ้าเราเชื่อหมอและเรารับประทานยาเราก็จะรู้ว่ายาที่หมอให้มานี้จะรักษาโรคนี้ได้หรือไม่การเชื่อพระพุทธเจ้าก็เป็นแบบนี้ไม่ได้ให้เชื่อแบบงมงาย แต่ให้เชื่อเพื่อที่จะเอาไปพิสูจน์กับตัวเราเองว่าคำสอนของพระพุทธเจ้านี้เป็นความจริงหรือเป็นเป็นความเท็จเนเราจะรู้ได้เพราะมีผู้ที่ได้พิสูจน์คำสอนของพระพุทธเจ้ามาแล้วเช่นพระอริยสาวกทั้งหลายท่านได้ทําตามพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอน ทำความดีทำประโยชน์ของตนและประโยชน์ของผู้อื่นจนได้ประโยชน์อย่างเต็มที่แล้วได้รับผลอันประเสรฐแล้วจึงไม่มีใครมาว่าว่าพระพุทธเจ้านี้พูดปดไม่ได้พูดความจริงทุกๆุงองของพระอริยสงสาวบนี้ รับรองคําสอนของพระพุทธเจ้าทุกๆคนว่าเป็นสวัสดขาโตภะวตาธรรมโมเป็นธรรมที่ตรัสไว้ชอบแล้วคือถูกต้องตามความเป็นจริงเรื่องบุญเรื่องบาสนี้มีจริงเรื่องผลของบุญของบาปคือสวรรค์และนรกก็มีจริงเรื่องของกรรมก็มีจริง เรื่องของการเวียนว่ายตายเกิดก็มีจริงเรื่องของการสิ้นสุดแห่งการเวียนว่ายตายเกิดก็มีจริงเรื่องของมรรคผลนิพพานก็มีจริงเพราะธรรมของพระพุทธเจ้านี้เป็นสันทิติโกคือสามารถพิสูจน์ได้ด้วยการปฏิบัติผู้ใดปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอน ก็จะรู้และเห็นอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นอย่างแน่นอนและเป็นธรรมที่ไม่ขึ้นกับเวลาและสถานที่เป็นอาการลิโกอาการลิโกนี้แสดงว่าไม่ได้เสื่อมไปกับเวลาอย่างบางคนคิดว่าน้งจากที่พระพุทธเจ้าทรงจากพวกเราไปแล้ว ถ้าทาคำสอนของพระพุทธเจ้านี้ก็เสื่อมไปด้วยไม่มีประสิทธิภาพไม่สามารถทำให้ผู้ปฏิบัติได้บรรลุผลดังที่พระพุทธเจ้าทรงได้บรรลุปแต่ความจริงแล้วผู้ที่ปฏิบัติไม่ว่าจะอยู่ยุคใดสมัยใดจะเป็นในอดีตที่ผ่านมาก็ดีหรือในปัจจุบันนี้ก็ดี หรือในอนาคตที่จะตามมาต่อไปก็ดีถ้าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วจะต้องได้รับผลอย่างแน่นอนดังที่ทรงตรัสไว้ว่าตราบใดถ้ายังมีผู้ที่ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมมีอยู่ตราบนั้นพระอรหันต์จะไม่สิ้นไปจากโลกจะไม่หมดไปจากโลกเพราะ พระอารหันต์นี้เกิดจากการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนั่นเองคือสุปฏิปันโนอุชุปฏิปันโนยายะปฏิปันโนสามีจิปฏิปันโนถ้าผู้ใดสามารถปฏิบัติได้ทั้งสี่ประการแล้วผู้นั้นย่อมได้รับผลคืออริยมรรคอริยผลขั้นต่าง จนถึงขั้นสูงสุดได้อย่างแน่นอนลายเป็นสารณะเป็นสังฆสารณะเป็นที่พึ่งของสัตว์โลกเป็นผู้ที่ทำหน้าที่เป็นครูเป็นอาจารย์แทนพระพุทธเจ้าต่อไปเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่สมัยที่พระพุทธเจ้าทรงมีพระชนชีพอยู่และก็เป็นตามมาตามลำดับ จนถึงปัจจุบันนี้เพราะยังมีผู้ที่มีปฏิบัตดิดีปฏิบัติชอบปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมนั่นเองพวกเราก็จะเป็นเช่นนั้นเหมือนกันถ้าเราน้อมเอาคำสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติอย่างเคร่งครัดปฏิบัติให้ครบถ้วน ปฏิบัติด้วยความขยันหมั่นเพียรไม่ท้อแท้ไม่ทะเละทะลายพอมีเวลาว่างก็รีบมาปฏิบัติมาทำบุญกันเลยอย่าให้กิเลสหลอกชวนให้เราไปเที่ยวไปทำสิ่งที่ไร้สาระหรือเป็นสิ่งที่เป็นอันตรายต่อจิตใจของเราเช่นไปเล่นการพนัน ไปเสพสุรายาเมาไปเที่ยวกลางคืนการกระทำเหล่านี้เป็นการฉุดลากจิตใจให้ตกต่ำให้ไปสู่อบายเขาถึงเรียกพวกนี้ว่าเป็นอบายยมุขอบายแปลว่าที่เกิดของผู้ที่ทำบาปทำกรรมมุขแปลว่าประตูหรือถวาวรผู้ใดที่ไปเกี่ยวข้อง ไปเสษสุรายามเมาไปเล่นการพนันไปเที่ยวกลางคืนไปคบคนชั่วเป็นเวทมีความเกลียดคร้านผู้นั้นจะต้องก้าวเข้าสู่ในอบายในลำดับต่อไปอย่างแน่นอนเพราะเวลาดื่มสุราแล้วก็จะไม่มีสติควบคุมอารมณ์ควบคุมจิตใจเวลาคิดจะทำร้ายผู้อื่นหรือกล่าวร้ายผู้อื่น ก็จะทำออกไปแล้วก็จะต้องไปรับใช้กรรมต่อไปถ้าไปทำร้ายไปฆ่าผู้อื่นในขณะที่มีชีวิตอยู่ก็ต้องถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับไปลงโทษตายไปก็ต้องไปตกนรกไปเกิดในอบายเพราะทำบาปไม่สามารถควบคุมการจัดการกระทาของตนให้อยู่ใน กรอบของศีลและธรรมได้นั่นเองเช่นเดียวกับผู้เล่นการพนันเวลาเล่นการพนันไม่ช้าก็เร็วก็จะต้องหมดตัวเพราะเวลาได้มาก็อยากจะได้อีกไม่ยอมหยุดเล่นหรือได้มาก็เอาเงินที่ได้มาอย่างง่ายดานี้ไปใช้แบบสุรุ่ยสุร่ายไม่รู้จักเก็บไม่รู้จักรักษาไว้แล้วพอใช้หมดก็อยากจะกลับไปหาใหม่ ก็กลับไปเล่นอกีกพอเล่นแล้วทีนี้ก็ไม่ได้กําไรขาดทุนหมดเนื้อหมดตัวก็ต้องไปกู้หนี้ยืมสินถ้ากู้หนี้ยืมสินไม่ได้ก็ต้องไปลักขโมยไปทําบาปทํากรรมหรือว่าถ้าไปกู้หนี้ยืมสินแล้วไม่สามารถใช้เขาได้ก็จะต้องถูกเข้ามาทวงหนี้ ตอนต้นเขาก็จะมาทุบทำลายร่างกายเราเกาะถ้าต่อไปยังไม่สามารถใช้นี่เขาได้เขาก็จะต้องฆ่าเราเพื่อเป็นตัวอย่างไม่ให้คนอื่นที่เขากู้นี่ยืงสินทำตางเอาแบบอย่างนี่คือผลเสียผลลายที่จะตามมาจากการที่เราไม่มีสติไม่เชื่อคำสอนของพระพุทธเจ้า ที่ทรงสอนให้ละ บ, บาปทั้งปวงให้ทําแต่บุญให้ทําแต่ประโยชน์อย่างที่ท่านทั้งหลายมาทํากันในวันนี้ท่านกำลังมาทําประโยชน์ให้กับตัวท่านและกับผู้อื่นผู้อื่นก็คือผู้ที่รับข้าวขอ ง, ของต่างๆที่ท่านได้นำมาถวายพระนั่นเองส่วนตัวท่านก็ได้รับประโยชน์คือได้บุญได้ความสุขใจได้ ได้ชนะได้กําจัดความตนีความหวงแหนในสมบัติเข้าวของเงินทองและได้ทําให้ความโลภอยากได้ทรัพย์สมบัติเข้าวของเงินทองนี้เบาบางลงไปเพราะไม่รู้จะเอามาทําไมเอามาแล้วก็ต้องเอามาให้คนอื่นถ้าเราให้อยู่เรื่อยๆแล้วต่อไปความโลภอยากจะรวยอยากจะมีเงินทองมากๆ ก็จะไม่มีเพราะเรารู้ว่าถ้าเรามีมากเกินไปมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรกับเราแล้วเราก็ต้องเอาไปให้คนอื่นงั้นทางที่ดีก็ไม่ต้องหามานดีกว่าเมื่อไม่ต้องเมื่อไม่มีมากเกินไปก็ไม่ต้องเอาไปให้คนอื่นให้เสียเวลาเปล่าความโลภก็เลยไม่มีเมื่อไม่มีความโลภความอยากที่จะทำบาปทํากรรมก็จะไม่มี เพราะไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปโกหกไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปลักทรัพย์ไปช่อโกเพราะไม่มีความอยากได้เงินทองมานั่นเองแต่ถ้ายังอยากได้เงินทองอยู่ใจก็จะคิดหาวิธีต่างๆนานาถ้าหามาด้วยวิธีสุดจริตไม่ได้ต้องทำทุจริตก็จะทำเพราะความอยากนี้มันทาให จิตใจมีความรุ่มร้อนมีความทุรนทุรายถ้าไม่ได้ดังใจอยากแล้วก็ใจทุกข์ทรมานไปอยู่เรื่อยๆจนกว่าจะได้มาดังนั้นขอให้พวกเราจงพยายามทำบุญให้มากทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นให้มากแล้วเราจะได้รับประโยชน์คือใจของเราจะมีความโลภน้อยลง มีความตเหนี่น้อยลงมีความเห็นแก่ตัวน้อยลงมีความเมตตามากขึ้นมีความการุณามากขึ้นจะทำให้ใจของเรามีความสงบมากขึ้นมีความสุขมากขึ้นจะทำให้เราอยากจะรักษาศีลให้บริสุทธิ์เพราะเราสามารถทำได้เนื่องจากไม่มีความโลภมา คอยขับขวางนั่นเองคนที่รักษาศีลกันไม่ค่อยได้ก็เพราะถูกความโลภมาคอยกระตุ้นให้ไปอยากได้สิ่งนั้นอยากได้สิ่งนี้แล้วก็เลยทำให้รู้สึกว่าการรักษาศีล น, นี้เป็นอุปสรรคต่อการอยากได้สิ่งต่างๆนั่นเองแต่พอเราได้ทำบุญแล้ว ความอยากได้ต่างๆก็จะเบาบางลงไปความเมตตากรุณาก็มีมากขึ้นไม่อยากจะเบียดเบียนผู้อื่นอยากจะช่วยเหลือผู้อื่น <pipeline. S 1> ก็เลยทำให้การรักษาศีลนี้เป็นการกระทำที่ง่ายดายเมื่อรักษาศีลได้แล้วใจก็จะมีความสุขมากขึ้นมีความสงบมากขึ้น เพราะไม่มีความวิตกกังวลไม่มีความหวาดกลัวจากผลที่เราไปกระทาเอาไว้ผลไม่ดีที่เอาไปทาเอาไว้ถ้าเราไปลักขโมยไปโกหกหลอกลวงผู้อื่นเราก็จะต้องหวาดวิตกกังวลว่าจะถูกจับหรือไม่จะรู้ว่าผู้อื่นจะรู้ว่าเราทำบามาหรือไม่ ถ้าเขารู้เดี๋ยวเขาก็จะต้องมาจับเราไปลงโทษนั่นเองแต่ถ้าเราไม่ได้ทำบาปเราก็ไม่ต้องมีความวิตกกังวลไม่เดือดร้อนอยู่อย่างสบายใจนอนตาหลับไม่เหมือนกับคนที่ทำบาปจะหวาดผวาอยู่ตลอดเวลาเวลานอนหลับก็จะฝันร้ายส่วนคนที่มีความเมตตานี้ก็จะมีความสุข ทั้งในขณะที่ตื่นและในขณะที่หลับเวลาที่นอนหลับก็จะไม่ฝังร้ายจะไม่มีจะไม่ถูกผู้อื่นปองร้ายจะไม่ได้ตายด้วยอาวุธหรือด้วยยาพิษต่างๆจะตายไปตามธรรมชาติเพราะไม่ได้ไปสร้างศัตรูไว้นั่นเองมีแต่ความเมตตามีแต่มิตรที่เกิดจากการให้ การทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นส่วนพวกที่ทำบาปนี้<ม>ก็จะมีแต่ศัตรูมีแต่ภัยรอบตัวเอง<ม>เราเป็นคนสร้างภัยขึ้นมาเองเราเป็นคนสร้างศัตรูขึ้นมาเองป<ม>ระสงค์นี้ท่านอยู่ในปา่าอยู่ท่ามกลางสัตว์ป่าได้อย่างสบายท่านไม่มีความวิตกกังวลว่าสัตว์ป่านี้จะมาทำร้ายท่านเลย ใจของท่านมีแต่ความเมตตาใจของท่านไม่ไม่ได้เบียดเบียนผู้อื่นไม่ได้ฆ่าผู้อื่นไม่ได้ทําร้ายผู้อื่นเวนลานอนถึงแม้จะนอนกลางป่ากลางแจ้งยนอนอยู่ตามโคนไม้นอนอยู่ตามในถ้าก็จะไม่เคยมีความหวาดกลัวกับภัยจากภัยต่างๆไม่เหมือนกับคนที่ทําบาป ถึงแม้จะอยู่ในประสะาทราชวังก็ยังมีความหวาดกลัวอยู่ถึงแม้จะมีองคลักคอยอาลักขาอยู่ตลอด24ชั่วโมงแต่ใจที่ไปทำบาปใจที่ไม่มีความเมตตานี้จะไม่มีทางที่จะนอนตาหลับนอนหลับได้อย่างสบายใจไม่วิตกกังวลเลยเพราะนี่เป็นผลของการทำบา ของการขาดความเมตตากรุณานั่นเองดังนั้นขอให้เราเชื่อพระพุทธเจ้าทําตามที่พระพุทธเจ้าทร ง, งสอนทาประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นอย่าไปเบียดเบียนผู้อื่นแล้วจิตใจของเราจะมีความร่มเย็นเป็นสุขและจะทําให้เราอยากจะมีความสงบสุขมากขึ้นไปเรื่อย แล้วเราก็จะเริ่มสนใจกับการภาวนาทำจิตใจให้สงบมากขึ้นเพราะความสงบที่เกิดจากการช่วยเหลือผู้อื่นทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นประโยชน์ที่ได้รับจากการรักษาสิ่งความสงบที่ได้รับจากการรักษาสิ่งนี้ยังไม่เต็มที่ยังยังไม่พอเพราะใจยังทุกข์ได้อยู่อาจจะทุกข์กับเรื่องอื่น ทุกจากเรื่องของความอยากในเรื่องอื่นๆที่เรายังอยากอยู่เช่นอยากอยู่ไปนานๆไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตายอย่างนี้เป็นต้นการที่จะทำให้ใจของเราไม่ทุกข์กับเรื่องราวเหล่านี้เราต้องภาวนาคือต้องเจริญสมถะภาวนาและวิปัสสนาภาวนาต่อไปถึงจะทำให้เรา หายจากความกลัวความแก่กลัวความเจ็บกลัวความตายได้เราต้องหัดทาภาวนาด้วยการเจริญสติอย่างต่อเนื่องไม่ใช่แต่เฉพาะเวลาที่เราไปนั่งสมาธิเท่านั้นเราต้องเจริญสติตั้งแต่ตื่นจนหลับเลยคือให้มีความรู้สึกตัวอยู่ตลอดเวลาให้รู้สึก ว่าเรากำลังทำอะไรอยู่เราอยู่ตรงไหนกำลังทำอะไรให้ใจเราอยู่ตรงนั้นอย่าให้ใจเราไปที่อื่นอย่าไปในอดีตอย่าไปในอนาคตให้อยู่ในปัจจุบันอยู่ตรงนี้อยู่ที่ตรงนี้กำลังทำอะไรก็ให้อยู่กับงานที่เรากำลังทำอยู่ถ้าเรามีสติอยู่อย่างนี้แล้วเวลาที่เรานั่งสมาธิ ให้ใจอยู่กับพุทธโธใจก็จะอยู่กับพุทธโธไม่ไปคิดเรื่องต่างๆแล้วใจก็จะสงบลงอย่างรวดเร็วพอใจสงบแล้วความวิตกความกังวลความกลัวต่างๆก็จะสงบตัวไปชั่วคราวแต่หลังจากที่ออกจากสมาธิมาแล้วพอมาคิดถึงเรื่องราวต่างๆก็จะเกิดความวิตกความกังวลต่อไป ตอนนี้เราก็ต้องใช้วิปัสสนาภาวนาเป็นเครื่องมือเราต้องพิจารณาถึงความไม่เที่ยมของสิ่งต่างๆหนังที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสสอนไว้ในตอนที่ได้กล่าวไว้ในตอนแรกว่าสังขารเป็นของไม่เที่ยมมีการเกิดมีการดับเป็นธรรมดาร่างกายเกิดมาแล้วมีแก่มีเจ็บมีตายเป็นธรรมดา ล่วงพ้นความแก่ความเจ็บความตายไปไม่ได้ต้องคอยสอนใจเรื่อยๆแล้วต่อไปใจจะไม่กลัวความแก่ไม่กลัวความเจ็บไม่กลัวความตายเพราะยอมรับความจริงเหมือนกับเรายอมรับเ ว, เวลาที่ฝนตกเราไม่กลัวฝนตกเพราะเรารู้ว่าเราห้ามฝนไม่ได้และเวลาฝนตกถึงแม้จะเกิดความเสียหายอย่างไร ก็เกิดความเสียหายต่อสิ่งอื่นๆแต่จะไม่เกิดความเสียหายกับใจของเราเพราะใจของเรานี้เป็นสิ่งที่ไม่มีอะไรจะทําลายได้อย่างมากก็ร่างกายเท่านั้นที่จะถูกทําลายไปแต่ร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราของเราตัวเราก็คือใจผู้รู้ผู้พิจารณาสิ่งต่างๆว่าไม่เที่ยงนี้เนี่ดังนั้นใจก็จะไม่วิตกไม่กังวลไม่หวาดกลัว กับความแก่กับความเจ็บกับความตายใจก็จะอยู่อย่างเป็นสุขตลอดเวลาไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นก็ตามจะมีแผ่นดินไหวจะมีสึนามิจะมีน้ำท่วมจะมีพายุจะมีไฟไหม้จะมีการอดยากขาดแคลนจะมีสงครามหรือมีอะไรก็ตามใจจะไม่เดือดร้อน เพราะใจรู้ว่าไม่มีอะไรจะทำลายใจได้นี้เองนี่คือวิปัสสนาที่เราจะได้จเจริญและได้ผลแล้วเราจะอยู่อย่างปราศจากทุกข์ไปตลอดไม่มีวันสิ้นสุดเช่นใจของพระพุทธเจ้าและใจของพระ อ, อรหันตสาวกทั้งหลายใจของท่านเป็นอย่างนี้ พราท่านได้ทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นอย่างเต็มที่ท่านไม่เบียดเบียนผู้อื่นและท่านเจริญภาวนาได้อย่างเต็มที่ใจของท่านจึงหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงใจของพวกเราก็จะเป็นอย่างนั้นถ้าเรามีศรัทธาแล้วปฏิบัติตามจึงขอฝาก เรื่องของการใช้เวลาของชีวิตให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดด้วยการมาทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นไม่เบียดเบียนผู้อื่นและบำเพ็ญจิตภาวนานี้ให้ท่านได้นาเอาไปพินจพิจารณาและปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลา